แนะนำบทอัตตกาสุตรบทอัตตกาสุตรเป็นบทมักกิยะมี 8 องค์การที่กล่าวถึงความเพลิดเพลินของมนุษย์อยู่กับสิ่งยั่วยวนต่างๆในการดําเนินชีวิตและการแข่งขันเพื่อรวบรวมสะสมจนกระทั่งความตายมาพัดพรากเอาความเพลิดเพลินของพวกเขาไปเสียและมันได้มาเยือนเขาโดยฉับพลันไม่ทันรู้สึกตัวและมันก็ได้โยกย้ายพวกเขาจากบ้านพักไปสู่หลุมฝังศพ บทนี้ได้เตือนให้รำลึกห้ามปรามและตักเตือนทั้งนี้เพื่อเป็นการขู่สัมทับมนุษย์และเตือนให้สํานึกถึงความผิดเนื่องจากพวกเขาพะวงอยู่กับสิ่งที่จะสูญเสียไปมากกว่าสิ่งที่จะคงอยู่กับพวกเขาบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงภัยพิบัติต่างๆและสิ่งที่น่าหวาดกลัวซึ่งพวกเขาจะได้พบกับวันโลกาพิณาศซึ่งในวันนั้นจะไม่มีใครผ่านพ้นหรือหนีรอดพ้นไปได้ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮากุมุตตะคาเธรฮัตตาซุรตุลมะกอบิรการสะสมทรัพย์สมบัติได้ทําให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน จึงกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพกัลลาซาวฟะตะอัลลามูนซุมมากัลลาซาวฟะตะอัลลามูนเปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้กัลลาลาวตะอัลลามูนอิลมันยะกีลละตะเรานัลญะฮิมมิใช่เช่นนั้น พวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเห็นฝ่ายที่ลุกโชนซุมมาละตะเรานนาอัยลัลยะกินแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาอย่างแท้จริงซุมมาละตุซอลุนนะยะมะอิดินอะนนัยมแล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ ในโลกนี้